หกอจิตตสหภูตุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยสองสามสสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตอาศพพัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตะสมุทานรูปที่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยขันหนึ่งที่เกิดพร้อมกับจิตรรเกิดขึ้น และถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่จิตและจิตแต่สมุสท า, านรูปที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยขันที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตและกระตาตารูป อาศัยขันที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองจิตและจิตตสโมทานรูปที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยขันหนึ่งที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสองจิตและจิตตารูป อาศัยขันหนึ่งที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสองสี่สิบสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูปที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะประตัทราูปอาศัยจิตเกิดขึ้นหาไทยวัตถุอาศัยจิตเกิดขึ้น จิตอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งจิตตาสมุทฐานะรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งไม่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขันและจิตตาสมุทฐานรูปที่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยจิตเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะสัมปยุจุบันขันอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันที่เฝิดพร้อมกับจิตอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นจิตตะสมุทารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเกิดพร้อมกับจิตอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เฝิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่สัม ป, มปยุจุบันขันและจิตตสมุทารูป ที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยจิตเ ก, ก, กิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสจำปยุตตะขันและกระตัลตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตและสจำปยุตตะขันาอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นจิตแตสมถานรูปที่เป็นอุปาทยรูปซึ่งเกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสอง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 เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยขันที่เกิดพร้อมกับจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัดตารูปอาศัยขันที่เกิดพร้อมกับจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยขันที่เกิดพร้อมกับจิตและอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นจิตตะสมุทฐานรูปและกระตัดตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งไม่เกิดพร้อมกับจิต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 ขันสองแลกะกตัตรารูปทำขันหนึ่งที่เกิดพร้อมกับจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสองและจิตอาศัยขันหนึ่งที่เกิดพร้อมกับจิตและอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองกระตัตรารูปที่เป็นอุปาทยรูปอาศัยขันที่เกิดพร้อมกับจิตและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นยอ่อหปัจญานุโลม สสังขยาวาระสองเหตุปัจจัยเนฆ้าวาระอารมณ์ปัจจัยเมฆ้าวาระพึงยกอรูปทั้งหมดขึ้นแสดงเหมือนกับจิตตสมุทฐานทุกกะอธิปติปัจจัยเมฆ้าวาระพึงเพิ่มมหาภูตรูปในวาระทั้งหอธิปติปัจจัยไม่มีในสามวาระอนันตรปัจจัยเมฆ้าวาระสมานันตรปัจจัยเมฆ้าวาระ ชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสยป yup. um. ัจจัยมีเก e er. ้าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาติปัจจัยมีห้าวาระอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระ 2. ปัจญญปัจจนาหนึ่งวิพังคาวาระ นาเหตุกปัจใจสองยสี่สิบสาสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะนาเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตสมถานรูปที่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นนาเหตุตกกะโมหะที่สหรคตด้วยจิจิชาและที่สหรคดด้วยอุทจจะ อาศัยขันที่สหรคโคตด้วยวิจิกิจชาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นเพิ่งเพิ่มทั้งาวาระอย่างนี้เพิ่งกำหนดบทว่าเป็นอเหตุตุกะไวเพิ่งเพิ่มเหมือนที่ได้ในอนุลมสามวาระมีโมหะเพิ่งเพิ่มเหมือนในจิตตะสมุทานทุกะนกรรมปั จ, จัย๒๔๔สภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิต อาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยขันที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก่ละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีออตุเป็นสมุทฐานสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิต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 สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นพระณัชานะปัจจัยได้แก่และถึงที่โสหรคต ด, ด้วยปัญจวิญญาณ 2. ป, ปัจจะยปัจญิยะ 2. ส, สังขยาวาระสุทไนัยสี่ส 46, นินเหตุปัจใจมีเก้าวาระนะอารรมณปัจใจมีเก้าวาระนะอธิปติปัจใจมีเก้าวาระ นอนันตระปัจจัยมีเ้าวาระนสมนันตระปัจจัยมีเ้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีเ้าวาระนอุปนิสัยปัจจัยมีเ้าวาระนาปเรชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนาปชัชชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนาอาศวณปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมะปัจจัยมีสีวาระนวิปากปัจจัยมีเ้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนาานาปัจจใจมีหกวาระนมะฆาปัจใจมีเก้าวาระนาสัมบยุตตปัจใจมีเก้าวาระนวิบยุตตปัจจัยมีหกวาระโนนัติปัจใจมีเก้าวาระโนวิคตาปัจใจมีเก้าวาระพึงทำการนับสองอย่างนอกนี้อย่างนี้สหาชาตะวาระเหมือนกับปฏิจจาวาระ สหภูทุกะสปัจยะวาระหนึ่งปัจจยานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยสี่สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตทำสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตทำสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิต ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่จิตธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปที่ไม่เกิดพร er ้อมกับจิตทําจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเหมือนกับปฏิจจาวาระพึงเพิ่มมหาภูตรูปทั้งหมดสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตทำสภาวะธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ น้ำปยุติตะขันและจิตตะสมุทานรูปที่เกิดพร้อมกับจิตทําจิตให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นขันที่เกิดพร้อมกับจิตทำอภัยวัตถุให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพิ่มเพิ่มมหาภูตรูปทั้งหมดเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตทำสภาวะธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยได้แก่ สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตทําจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตและสัมปยุตตขันทําอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเหมือนกับปฏิจจวาระเพิงเพิ่มมหาภูตรูปทั้งหมดสองสี่สิสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตทำสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิต ไม่เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตาสมทานรูปที่เกิดพร้อมกับจิตทำขันหนึ่งที่เกิดพร้อมกับจิตและทําจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองขันสองทําขันหนึ่งที่เกิดพร้อมกับจิตและทำาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะเหมือนกับปฏิเจวาระ เพิเพิ่มมหาภูตรูปทั้งหมดสภาวะธรรมที่ไม่เิดพร้อมกับจิตทำสภาวธรรมที่เิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เิดพร้อมกับจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่จิตตาสมุทฐานรูปที่ไม่เิดพร้อมกับจิตทำขันธ์ที่เิดพร้อมกับจิตและทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตทำขันธ์ที่เิดพร้อมกับจิตและทำอัตไธวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตาสมุทฐานรูปที่ไม่เิดพร้อมกับจิต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 ทำขันหนึ่งที่เกิดพร้อมกับจิตและทําจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองและจิตทําขันหนึ่งที่เกิดพร้อมกับจิตและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทําขันสองในปฏิสนธิขณะเหมือนกับปฏิจจวาระเพิ่มเพิ่มมหาภูตรูปทั้งหมดอารมณปัจจัยสองร้อยส่าสภาวะทำที่เกิดพร้อมกับจิต ทำสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตให้เป <t> ็นป <t> ัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวะธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตทำสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่จะขู่วิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำกายายตนะละถึงจิตตสมุทฐานะทุกกะนี้ เมือนกับอารามณะปัจจัยในปัจยะวาระสำหรับวาระทั้งหกนี้เพิ่มเพิ่มสภาวธรรมที่มีปัญจวิญญาณเป็นมูลย่อหนึ่งปัจยานุโลมสองสังขยาวาระสองหเหตุปัจใจมีเก้าวาระอารามณปัจใจมีเก้าวาระอธิปฏิปัจใจมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละเก้าวาระอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระ สปัจจะยปัจจนียะหนึ่งวิพังขวาระน่เหตุกปัจใจสองยห้าสอสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตทำสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่เหตุกปัจจัยได้แก่และถึงทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเกิดพร้อมกับจิตย่อพึงเพิ่มทั้งหมดสำหรับปัจจะยวาระมีปัญจวิญญาณพึงทำให้เป็นมูลของวาระทั้งหก มหาภูตรูปทั้งหมดมีเพียงสามวาระเพิ่มโมหะเข้ามายอ่อ 2. ปัจจะยะปั จ, จนิยะ 2. สังขยาวาระสุทนัยส้อยห้านนเหตุก ป, ปัจใจมีเก้าวาระณอนะอรมณะปัจใจมีเก้าวาระณนะอธิปติปัจใจมีเก้าวาระนันะอนันตรปัจใจมีเก้าวาระนะนันสัมณันตรปั จ, จัจมีเก้าวาระ นอัญญมัญญาปัจจัยมีเก้าวาระนอุปาเสียปัจจัยมีเก้าวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนปัชชาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนอาศวนปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีเก้าวาระ นะมคขะปัจจัยมี9้าวาระนสัมปยุตตะปัจจัยมี9้าวาระนวิบยุตตะปัจจัยมีหกวาระโนนัติปัจจัยมี9้าวาระโนวิคตะปัจจัยมี9้าวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจญียะ253รอาสิมรมณปัจจัยกเภสทุกปัจจัยมี9้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระ น ว, วิปากะปัจใจมีเก้าวาระณสัมปยุตตะปัจใจมีเก้าวาระณวิปยุตตปัจจใจมีห้าวาระโนนัติปัจใจมีเก้าวาระโนวิคตปัจใจมีเก้าวาระ 4. ปัจจยปัจญิยานุโลม254อารามะนะปัจจัยนั่นเหตุกปัจใจมีเก้าวาระอนันตระปัจใจมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจใจและเก้าวาระ มรรคปาปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระนิจยะวาระเหมือนกับปัจจยาวาระหกสิบเอ็ดจิตตะสหภูทุกะห้าชังสัทธาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเป็นต้นสองห้าสิบห้าสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดรกรกับสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ ขันสองเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่เกิดพร้อมกับจิตละถึงเกิดรัคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเพราะเหตุตุปัจใจได้แก่จิตเกิดรัคนกับขันที่เกิดพร้อมกับจิตในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิต เพราะเหตุปัจจใจได้แก่ขันสองและจิตเกิดระคนกับขันหนึ่งที่เกิดพร้อมกับจิตและถึงเกิดระคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะสองหสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดรัคนกับสภาวะธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเพราะเหตุตุปัจใจได้แก่สัมปยุตตะขันเกิดรัคนกับจิตในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิต เกิดรกนกับสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันธ์สองเกิดรคนกับขันธ์หนึ่งที่เกิดพร้อมกับจิตและเกิดรคนกับจิตและถึงเกิดรคนกับขันธ์สองในปฏิสนธิขณะย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระ อนุโลมจบนเหตุปัจจัยมีห้าวาระสามวาระมีโมหะณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระณอาเทวนะปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมีห้าวาระนชานะปัจจัยมีห้าวาระนมัคคะปัจจัยมีห้าวาระ นวิยุตตปัจจัยมีห้าวาระการนับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตวาระเพิ่มเพิ่มไว้ทั้งหมด6กสิบเอ็ดจิตตะสหภูทุกะเจ็ดปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลม หวิพังควาระเหตุตุปัจจัยห้าสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตโดยเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแฉ่สัมปยุตตะขันและจิตตาสมุทานรูปที่เกิดพร้อมกับจิตโดยเหตุตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิต โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุท hey ี่เกิดพร้อมกับจิตเป็นป hey ัจจัยแห่จิตและจิตตสมุทฐานรูปที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่จิตและปัจตารูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เกิดพร้อมกับจิต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 สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตโดยทิฏฐิปัจจัยมีสามวาระพึงเพิ่มอารมนาทิฏฐิและชาชาตาธิปติสภาวะธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยทิฏฐิปัจจัยมีสามวาระสำหรับวาระทั้งสมนี้พึงเพิ่มอารมนาธิฏฐิและชหชาตาทิฏฐิ ทั้ง9้าวาระก็เหมือนกับจิตตสมุทฐานทุกกะในที่สุดมีสามวาระมีเฉพาะอารมาณาทิปติอนันตระปัจจัยเป็นต้นสองสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตโดยอนันตระปัจจัยมีเ้าวาระเหมือนกับจิตตสมุทฐานทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันเป็นปัจจัยโดยสมนันตระปัจจัยเหนือก้าวาระ เหมือนกับปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตะปัจใจมิ่งเก้าวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจใจมิ่งเก้าวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยนิจยปัจจัย่งเก้าวาระเหมือนกับปฏิญะวาระเป็นปัจจัยโดยอุปนิสจยปัจใจมิมงเก้าวาระเหมือนกับจิตตสมุทฐานทุกขะปุเรชาตะปัจจัย261 สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยปุเรชาติ hasta, ปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณ์ปุเรชาต ะ, าตะและวัตถุปุเรชาตะมีสามวาระได้เฉพาะมูลคือสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเหมือนกับจิตตสมุทฐานทุกกะมีสามวาระไม่มีข้อแตกต่างกันปัจฉาชาติปัจจยัยและอาศิวนะปัจจยัย 62สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยปัจฉาชาติปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่คลายนิที่เกิดก่อนซึ่งไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยปัจฉาชาติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยปัจฉาชาติปัจจัย สภาวะธรรมที่เฝืิอพร้อมกับจิตและที่ไม่เฝืิอพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เฝืิอพร้อมกับจิตโดยปัจฉาชาติปัจจัยย่อเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยหนึก้าวาระกรรมปัจจัยสองร้อสาสภาวะธรรมที่เกิอพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เฝืิอพร้อมกับจิตโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างเคยสหชาตะและนานาคณิกะ ชาตาได้แก่เจตนาที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตต์จมุอทานรูปที่เกิดพร้อมกับจิตโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณนกะได้แก่เจตนาที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งเกิดพร้อมกับจิตโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่าง เคยสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่จิตและจิตแต่สมุทานรูปที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่จิตที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิต และที่ไม่เปิพร้อมกับจิตโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เปิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแค่สัมปยุทธะขันธ์จิตและจิตตะสมุทฐานรูปที่เปิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เปิดพร้อมกับจิตโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เปิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแค่ขันธ์ที่เป็นวิบาก จิตและกระตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากะปัจจัยเป็นต้นสองหสภาวธรรมที่เคยพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก e ่สภาวธรรมที่เือพร้อมกับจิตโดยวิปากปัจจัยเหมือนกับจิตตสมุทฐานทุกะเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีกลาววาระเหมือนกับจิตตสมุทฐานทุกะแม้ทุกะนี้ก็มีหนึ่งวาระเหมือนกับเกาลิงกระหาร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 เป็นปัจจัยแก AT ่สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตโดยวิบยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตะได้แก่ขั น, ขนมมธ์ที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปที่เกิดพร้อมกับจิตโดยวิบยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยวิบยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาต ะ, ส, ะหสหชาติได้แก่ ขันธ์ที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยวิบูตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาติได้แก่ขันธ์ที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดฟอนซึ่งไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยวิบูตะปัจจัยสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยวิบูตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตะ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 จิตเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทารูปที่ไม่เคยพร้อมกับจิตโดยวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิธขณะจิตเป็นปัจจ<อ>ัยแก่กตาตารูปโดยวิปยุตตะปัจจัยจิตเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิปยุตตปัจใจหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยวิปยุตตะปัจจัยปุเรชาติได้แก่จักขายาตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโดยวิปยุตตปัจจัยกายญายตณะละถึง ภาษาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยวิปิยุตตปัจจัยปัจชาชาตะได้แก่จิตเป็นปัจจัยแข่งรายนิทิขเกิดขอนซึ่งไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยวิปิยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตโดยวิปิยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือชาชาตะและปุเรชาตะชาชาตะได้แก่จิตเป็นปัจจัยแข่จิตแต่สมุทฐานรูปที่เกิดพร้อมกับจิต โดยวิปย so ุตตปัจจัยปุเรชาติได้แก่จ wow. ักขายาตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคคด้วยจักขวิญญาณโดยวิปยุตตปัจจัยกายญาตนะและถึงหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เกิดพร้อมกับจิตโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่นิเกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่นิเกิดพร้อมกับจิตโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่าง คือสหชาตะและบุเรชาตะสหชาติได้แก่จิตเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยวิบยุตตปัใจจัยในปฏิสนธิขณะวัตถุบุเรชาติได้แก่เจ้าขายยตนะเป็นปัจจัยแก่จกักขวิญญาณและสัมบุรุษตะขันโดยวิบยุตตปัจจัยกายายตนะละถึงภาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตและสัมบยุษตะขัน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 เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เคยพร้อมกับจิตโดยวิปยุตตาปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตตะได้แก่ขันธ์ที่เคยพร้อมกับจิตที่ไม่เคยพร้อมกับจิตและจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุฐานรูปที่ไม่เคยพร้อมกับจิตโดยวิปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาตตะได้แก่ขันธ์ที่เคยพร้อมกับจิตที่ไม่เคยพร้อมกับจิตและจิต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 เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่เปิดพร้อมกับจิตโดยอธิปัจจัยมีหอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะมหาระและอินทริยะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สหโรคด้วยจักขรวิญญาณและจักรายตนะเป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณโดยอธิปัจจัยขันธ์ที่สหโรคด้วยกายวิญญาณขันธ์ที่เปิดพร้อมกับจิตและจิตเป็นปัจจัยแก่จิตจาสมุทฐานรูป ที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยอธิปัจจัยชาตะได้แก่ครันที่เกิดพร้อมกับจิตและทายวัตุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยอธิปัจจัยชาตะได้แก่คันที่เกิดพร้อมกับจิตและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยอธิปัจจัยในปฏิสนที่ขณะพึงเพิ่มเป็นสามวาระปัจจัาตะได้แก่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 สองเจเฮตุปัจจัยม huh? ีสามวาระอารมณะปัจจัยม hm ีเก้าวาระอัธปติปัจจัยมีเ้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาติปัจจัยมีเ้าวาระพัญญะมันญะปัจจัยมีเก้าวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปานิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระ ปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระมาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปัสสปัจใจมีเ้าวาระอาหาราปัจจัยมีเ้าวาระอินทรียปัจใจมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิบยุตตปัจจัยมีเ้าวาระอัติปัจจัยมีเก้าวาระ นัตติปัจจัยมีเก้าวาระวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบสองปัจจญียุทธาระสองเจ็ดสเอสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตโดยอารมณะปัจจัยสหาชาติปัจจัยอุปานิจญาปัจจัยและกรรมปัจจัย สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปจัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและกรรมปัจจัยสอง สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมก e ับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตโดยอารมณ์ปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปนิเสสะปัจจัยบรชาติปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยอาหาราปัจจัยและอินทรียะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตโดยอารมณ์ปัจจัยสหชาติปัจจัย อุปาินชยปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เกิอพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิอพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิอพร้อมกับจิตโดยระมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาเนชยะปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัยสองสภาวธรรมที่เืิอพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิอพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิอพร้อมกับจิตโดยระมณปัจจัย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 ชาติปัจจัยและอุปนิสยปัจจัย 2. ปัจญญปัจจนียะ 2. สังขาวาระสองเจ็นเหตุปัจจัยหนึ่งเ้าวาระนอารรมณะปัจจัยหนึ่งก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระโนอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจญญาสองยเจ็ดห นาอรมะณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีสามวาระนอนันตระปัจจัยมีสามวาระนาสัมมันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระนอุปานิเสัยปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระนาสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ นูนาทิปัจจัยมีสามวาระหนูวิคตะปัจจัยมีสามวาระสปัจยะปัจจิญานุลมสองรอยรามณปัจจัยกับนาเหตุปั จ, จัยมีเก้าวาระเพิ่เพิ่มบทอนุล ม, มาติกาจิตตะสหภูทุกะจบ